บันทึกพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนแสดงเมื่อวันที่23รกรกฎาคม2507ณวัดป่ามัานตาดจังหวัดอุดรธานีพระพุทธเจ้าสอนธรรมะ บรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งต่างก็ยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าธรรมะเป็นอย่างไรมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรกิเลสตัณหาอาสวะเรื่องจีดขวางตัวเองเป็นอย่างไร ต่างไม่มีใครทราบด้วยกันทั้งนั้นและไม่ได้เคยเรียนชั้นกอไก่กอกาปรปฐมมัธยมมาเลยต่างก็เป็นผู้มืดอยู่ด้วยกันในทางภายในใจ เหตใดเวลาพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วปรากฏเป็นสลักพยัญชนะปฐมมัธยมขึ้นมาในลำดับอันเดียวนั้นยกตัวอย่างเช่นแสดงแก่ครับบงรจาวะัคคีทั้งห้าเรื่องศีลก็ไม่ได้แสดงเรื่องสมาธิก็ไม่ได้แสดง ว่าผู้จะสดับปรับฟังธรรมเทศนาก็ดีหรือผู้จะปฏิบัติตนเพื่อทำขั้นใดๆก็ดีในเวลานั้นพระพุทธเจ้ า, จามาได้สอนมาต้องรักษาศีลอย่างนั้นต้องทำสมาธิอย่างนี้แต่ยก เรื่องของอริยสัต์ซึ่งเป็นของมีอยู่ในพระองค์ท่านและของท่านผู้ฟังทั้งหลายขึ้นแสดงเบื้องต้นก็ยก เ, เวเมพิคเวอันตัก บ, บาจิตินาเซวิตัาภาแล้วก็แสดงสมมาจิติกิ สัมมาสังกัปโปเป็นอนัตต์ที่สองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปถ้าจะเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกันกับความสว่างเป็นเครื่องสองทางของผู้ดำหนึ่งจะไปสู่จุดนั้นนั้น เมื่อได้ยกสัมมาทิสติสังมาสัมมาสังกโปซึ่งเป็นเครื่องสองทางแล้วก็ชี้เรื่องวัตถุที่จะเป็นค่าศึกต่อทางเดินและชี้จุดหมายปลายทางของเพื่อผู้เดินทางจะได้ก้าวไปสู่จุดตามที่พระองค์ชี้บอกนั้นคือชี้เรื่องของทุก และชี้เรื่องของสมูทยัยอันเป็นเครื่องจีดขวางทางเดิมทุกคือเรื่องตัวภัยสมูทัยคือเครื่องจีดขวางทางเดินมักคือปัญญาเป็นเครื่องสองทางการปฏิบัติต่อสิ่งที่จีดขวางซึ่งมองเห็นด้วยปัญญานั้น เลยลือ้อปืนสิ่งทั้งหลายท้่ขัดขวางอยู่นั้นออกไปเป็นลำดับัๆแล้วก็ชี้เรื่องนิโลธคือผลที่เกิดขึ้นจากการลื้อถอนสิ่งที่เป็น้าสศิษนั้นให้หมดสิ้นไปจากนั้นก็แสดงถึงจุด ที่เป็นจุ ด, จดยอดอันบุคคลได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล้วจะต้องถึงและประสบโดยลำพังตนเองความเมื่อทุกทุกท่านที่ติดไปสะดับจากพระพุทธเจา้าไม่ได้เคยศึกษามาก่อนเหตุใดจึงสามารถรู้ได้ ยกพระัญญาคนธัญะขึ้นเป็นตัวอย่างซึ่งท่านได้รับผลในขณะฟังเทศจากพระองค์ท่าทนเปลนงอุทานออกมาจากความรู้ที่ตนได้รู้ได้เห็นเป็นภาษาบาลีย่อๆว่ายังจิงจิสมุดดาดสมุดดธรรมสัพ บ, บันตังนิโรธธรรมเป็นต้แะนแปลงว้อความว่าจะเป็นสิ่งใดก็าตาม เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นต้องดับไม่มีอันไดจะตกค้างหรือรอดพ้นจากความดับไปได้เมื่อปรากฏเป็นความเกิดขึ้นมาแล้วความดับย่อมเป็นของคู่กันเป็นอย่างนั้นการกล่าวเช่นนี้ของพระอัญญากรธัญะกล่าวออกมาจากผลแห่งความรู้ของตนที่ได้เห็นชัดทั้งเรื่องภายนอก สภาวะธรรมทั่วๆ่วไปทั้งเรื่องภายในตัวเองได้แก่เรื่องของร่างกายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจว่าทุกๆสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาแล้วต้องหับไปไม่มีส่วนใดจะถือว่า เป็นตนและเป็นของตนได้เลยซึ่งควรจะไปจับจองเอาโดยใช่เหตุเมื่อพระัญญาโกรทัญญาได้รู้ได้เห็นเป็นผลขึ้นมาจากการไก่กรองในสภาวะธรรมทั้งหลายประจักษ์กับใจแล้วก็ได้เป็นอุทานออกมาเป็นองค์พระพยาของพระพุทธจกัก ในขั้นแรกหรืออยากว่าได้สำเร็จพระโสดาเหตุที่พระสาวกทั้งหลายมีพระัญญาโกลทัญญะเป็นต้นได้รู้ได้เห็นในขณะฟังเทศน์นั้นเนื่องจากพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงนั้นเป็นพระสัทธรรมที่ได้รับรองผลมาแล้วร้อยเปเ็ คือการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก็ชอบด้วยเหตุผลการจะรู้เรื่องหลักธรรมทุกๆประเภทและถอดถอนได้ด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติถูกต้องตามเหตุผลนั้นก็รู้ชัดได้โดยหลักเหตุผลถอนได้ตามหลักเหตุผลที่ถูกต้องเป็นลำดับจนถึงขั้นวิมุตตพุทโธ เป็นองค์แห่งศา ส, สดาของพระพุทธเจ้าในอันดับแรกแล้วก็เริ่มเป็นองค์แห่งศา ส, สดาของบรรดาศัตว์ต่างหลายในอันดับ ต, ต่อมาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นไม่ได้เคยไปหยิบยืนเนี่ยเรียนรู้มาจากผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองโดยสมบูรณ์แต่เป็นธรรมะที่ได้ทรงปฏิบัติมาโดยลาพังพระองค์เองด้วย แนลู้เห็นโดยลำพังพระองค์ด้วยเป็นสันทิปที่โกคือรู้โดยเฉพาะพระองค์ผู้ปฏิบัติถูกต้องนั้นธรรมะทุกๆุกประเภทเมื่อระบายออกมาจากพระโอษฐ์ซึงหลั่งไหลออกมาจากความบริสุทธิ์ของพระพติจา จึงเป็นธรรมะที่รับรองผลอย่างเต็มที่สำหรับผู้ปฏิบัติหรือผู้ฟังทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจึงไม่มีข้อเคลือบแข็งสงสัยแม้แต่น้อยหลักแห่งการสอนของปุถภวเทเจ้ากับหลักแห่งการสอนของพวกเราแม้จะเป็นธรรมะ ออกมาจากพระโอษของพระองค์องก็ต่างจึงมีความแตกต่างกันโดยที่พระพธธุทธเจ้าเป็นเจ้าของแห่งธรรมแต่เราเป็นผู้ที่หยิบยืมธรรมะคําสั่งสอนคําพระพธธุทธเจ้ามาปฏิบัติในตนเองและเป็นสิ่งที่ตนหยุดยยืมมาแนะนำสั่งสอนผู้อื่นโดยที่เจ้าตัวรู้บ้างไม่รู้บ้าง แต่ก็นำธรรมะนั่นมาแสดงผลที่จะพึงได้รับจึงมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่สม่ำเสมอและไม่ได้เป็นจำนวนมากเหมือนอย่างประพท ธ, ธิจักท่นี้เมื่อสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติตามพระองค์ท่านเบื้องต้นก็ได้หยิบยืมความรู้ความฉลาดข้อปฏิบัติ เยี่ยงอย่างมาจา ก, กพระพุทธเจ้ามาดำเนยจนปรากฏผลขึ้นมาศีนก็เป็นศีลของสาวกโดยตรงเพราะได้รักษาเป็นความบริสุทธิ์สมาธิก็เป็นความสงบเยอเือกเย็นของสาวกโดยตรงปัญญาก็เป็นความเฉียวฉลาดสามารถถอดถอนกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนให้สิ้นไปได้โดยลำดับจนถึงกับกิเลสได้ดับไปโดยทิ้นเฉง เมื่อสีนก็เป็นของสาวกสมาธิก็เป็นของสาวกที่หามาได้ปัญญาก็เป็นของสาวกที่คิดคน้นพินิจพิจารณาไตรตรองโดยลำพังท่านจิเลตก็เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ม้ภายในใจของท่านแต่ได้ถูกตอบถอนด้วยปัญญาของท่านเองจนกลายเป็นมิมุตขึ้นมามิมุตก็กลายเป็นของสาวกโดยสมบูรณ์มาเด็ดหยิบยืมมาจากผู้ใด สาวกองที่สำเร็จโดยสมบูรณ์แรเช่นนั้นก็สามารถจะประกาศสัจธรรมตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและตามชติกำลังความสามารถของตนให้ได้ผลเป็นลำดับถัดพระพุทธเจ้าลงมา เพราะฉะนั้นการสั่งสอนของพระโพ ธ, ธิเจ้าและสั่งสอนของสาวกแย่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจึงปรากฏผลประจักษ์ใจสำหรับท่านผู้ฟังโดยความตั้งใจแต่ตกมาสมัยของพวกเราธรรมะก็เป็นธรรมะอันเดียวกันผู้ปฏิบัติก็มีความมุ่งจะปฏิบัติให้ถูกทางของพระโพ ธ, ธิเจ้าเส้นเดียวกัน ผู้สอนก็นำหลักธรรมะคาตังสอนของพระพุทเจ้ามาสอนทำไมผลจึงไม่ค่อยปรากฏเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกฝั่งสอนเล่าในข้อนี้จึงเทียบได้กับคนที่เป็นหมอมีความเฉลียวฉลาดสามารถในสมุิฐานของโรคและวิชายามาอย่างเต็มที่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 คนไข่าบางรายยังอาจจะเกิดความเสียหายและอันตรายเพราะเหตุแห่งบุคคลผู้ตั้งตัวเป็นหมอนั้นก็มีจำนวนไม่ น, อน้อยเพราะยานั้นเป็นยาที่สำเร็จรูปมาจากหมอจริงแต่ตัวเองไม่มีความรู้ความฉลาดในวิธีการรักษายาจริงไม่ค่อยจะวางให้ถูกจุดของโรคเท่าที่ควร ถ้าเป็นหมอ ด, ด้วยเป็นผู้รู้ทางทางวิชายาและสมุดฐานของโลกโดยชัดเจนด้วยเลยผลที่จะพึ่งได้รับจากการรักษานั้นย่อมมีกันหมืนมากมีเมื่อเทียบกับพวกเราทั้งหลาย กับพระพุทธเจ้าแล้วสาวกแล้วจึงมีความแตกต่างกันเช่นนี้ธรรมะแม้จะเป็นธรรมะที่สำเร็จรูปมาจากพระพุทธเจ้าองค์บริสุทธ์ก็ต่างแต่เราไม่รู้วิธีจะปฏิบัติต่อธรรมะเพราะเราไม่รู้ธรรมะเป็นแต่หยิบยืมท่านมาเมื่อมาปฏิบัติตนเองก็ไม่ค่อยถูกต้องเป็นรุ่มรุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำต่ แม้จะนำไปสั่งสอนคนอื่นก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะเหตุแห่งตนไม่ได้เข้าใจไม่ถึงหลักธรรมที่แค่แค่สิ่งเหมือนอย่างพระพุทธเจา้าธรรมะซึ่งควรจะให้ประโยชน์โดยสมบูรณ์แก่บุคคลผู้มีความสนใจใคร่จะสดับสับฟังและปฏิบัติก็เป็นเหตุให้ด้อยลงไปโดยที่ผู้นำมาแนะนำสั่งสอนและผู้ปฏิบัตินั้น ไม่เข้าใจในวิธีการปฏิบัติต่อตอนเองและวิธีการจะแนะนําสั่งสอนคนอื่นว่าจะต้องแนะนําสั่งสอนอย่างไรหากว่าตนได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นด้วยและก็รู้หลักความจริงตามที่พระองค์ท่านสอนไว้โดยภายในจิตใจของตอนแจ้งประจักษ์ด้วยผู้นั้นแม้จะไม่สามารถทําหน้าที่ให้เต็มภูมิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกก็าตาม ถึงอย่างไรก็ต้องมีผลเต็มกำลังความสามารถของผู้จะแนะนำสั่งสอนนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเหตุใดเพราะถ้าจะเทียบกับโรคโรค ก, ก็เคยมา ม, มีมาตั้งแต่การไมนไหน ไม่ว่าโรคประเภทใดจะต้องเกิดขึ้นในร่างกายของบุคคลและสัตว์ด้วยกันจะให้ชื่อให้นามว่าโรคประเภทใดก็ตามจะต้องให้ชื่อให้นามมาจากโรคที่เกิดขึ้นจากคนและสัตว์ทั้งนั้นยาก็เคื่อแก้โรคและเคยแก้โรคหายมาเป็นเวลานาดเมื่อเรารู้วิธีการของการรักษาโรค ด้วยความฉลาดของเราแล้วโลกต้องหายไปเป็นลำดับเช่นเดียวกับครั้งโบราณกาและยังจะทำบุคคลให้ได้หายจากโลกไปในอนาคตการข้างหน้ามีจํานวนไม่น้อยเพราะโรค ก, กับยาไม่เคยได้เสื่อมพูนไปจากโลกอันนี้นี่ทาหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก คือสวดคาตัดธรรมที่พระองค์กล่าวไว้ชอบแล้วก็ต้องปรากฏเห็นผลขึ้นมาอายัมพทานตาคือประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับคำว่าหญิงว่าชายนักบวดและคารวะเมื่อเรารู้เราเข้าใจตามที่เราได้ปฏิบัติมา เรานำความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติที่เราได้ดำเนินมาสั่สงสอนคนอื่นผู้อื่นโดยถูกต้องผู้ที่มีความไายต่ อ, อัดทมอยู่แล้วอย่างไรก็จะต้องได้รับผลเป็นที่พึงพอใจตามนิสัยวาสนาของผู้นั้นๆเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายอย่างทร ง, ทรงพระชนมเียเพราะสัตว์จะทําเป็น ธรรมชาติอันเดียวกันผู้รู้เห็นธรรมก็รู้เห็นธรรมในธรรมชาติอันเดียวกันผู้ที่จะรับโอว่าคําสั่งสอนก็เป็นมนุษย์ประเภทเดียวกันมีเจตเดตัญหาเช่นเดียวกันจะต้องรู้ได้เดีวกันไม่มากก็ต้องน้อยมีขึ้นการที่กล่าวมาทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของพวกเรา ที่ได้ประสบพบเห็นหรือสนับตรฟังจากครูจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการแพทย์ทุกแขนงและวิธีปฏิบัติตามหน้าที่ของความเป็นหมอมาจนชำนาญเพราะคนที่เขาจะเป็นหมอก็ต้องไปศึกษามาจากหมอก่อน ไม่ศึกษามาจากหมอโดยด้วยดีแล้วก็จะเป็นหมอที่ถูกต้องไม่ได้ครูที่จะได้รับความเข้าอกเข้าใจโดยมากก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูจากอาตาอาจารย์ครูแน่วแน่ในข้อปฏิบัติและแน่วแน่ในความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตามหลักธรรมสรุปความลงแล้วเรียกว่าท่านรู้จริงเห็นจริงเพราะท่านปฏิบัติจริงเมื่อเราได้อบรม จากท่านผู้มีความชำนิชำนาญมาเช่า น, นั้นเองเราก็มีทางที่จะปฏิบัติให้ถูกและแน่วแน่ต่อทางไม่ค่อยปลีกแวะหรือโคตโคง้งเป็นเหตุให้กระชั้นเวลาแห่งการปฏิบัติของเราลงได้เป็นลำดับและสามารถจะปฏิบัติให้เห็นผลประจักษ์ ได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลอุบายวิธีที่จะปฏิบัติให้ถูกทางนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีมากมายสำหรับนักบวชเป็นอย่างไนสำหรับฆราวาสเป็นอย่างไง แต่ว่าเหมือนกันจริงจิงก็ไม่ใช่แต่จะว่าติแตกแตกต่างกันไปก็ไม่เชื่เทียบกันได้กับว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็เป็นคนเหมือนกันจะเป็นผู้ชายก็คือคนเหมือนกันแต่จะว่าหญิงเป็นผู้ชายก็ไม่เชื่แต่ว่าผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่ แต่ว่าหญิงกับชายทั้งสองคนนั้นกลายเป็นคนคนเดียวก็ไม่เชื่อเป็นคนละคนแต่เป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของนักบวชกับคารวะจึงมีความแตกต่างกันอยู่โดยทำนองที่กล่าวมานันแต่ความรู้ดีรู้สึกดีชั่วบาปบุญคุณโทษนั้นรู้เหมือนกันและทำของคารวะผู้จะปฏิบัติตามฐานะของตน ก็เป็นธรรมที่จะสามารถทำผู้ตั้งใจปฏิบัตินั้นให้ถึงจุดหมายปลาทางได้เช่นเดียวกันกับพระพระถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่และเพศของตนก็มีจิตอันเดียวที่จะพึงถึงเช่นเดียวกันกับแคล ว, ว่าผิดแปกกันอยู่ในระเบียบของพระวินัยเท่านั้นเรื่องของหลักธรรมแลวคล้ายคลึงกันมากมาย อุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกๆประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนัก บ, บวชผู้เป็นนัก บ, บวชจึงควรสนใจอย่างยิ่งที่จะพยายามเก็บห้อมนอมริ้จากข้อปฏิบัตินั้นๆมาให้เป็นชิ้นเป็นอันรวมเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อจะมีกำลังเข้าสนับสนุนจิตใจของตน เช่นท่านสแสดงไว้ว่าทุดงสิบสามมีบินทบาตเป็นประจำเป็นต้นก็อเป็นอุบายวิธีแต่และอย่างละอย่างเพื่อจะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของตนให้มีความปร่งใสขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัตินั้นๆรราวามีการให้ทานก็ดีรักษาสีนห้าหรือสีบแปดตามการตามเวลาก็ดีนื้ะเจริเมตตาภาวณาในบ้านในเรือนก็ดี ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายที่จะสนับสนุนจิตใจของตนให้มีกําลังกล้าหรือให้มีความเคยชินต่อการบําเพ็ญบุญที่จะเป็นเหตุให้ไหลมาแห่งความสุขความเจริญและให้มีความแต่กล้าสามารถในทางการบําเพ็ญบุญณนะภายในจิตใจเพื่อจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์อันเดียวกันพระผู้ปฏิบัติต่อสิกขาบทนี้ใน ศีล ส, ส, สมาธิปัญญาแยกออกเป็นปริยายก็คือข้อวัดปฏิบัติที่ปฏิบัติเป็นประจำวันอยู่ก็เพื่อจะเป็นเครื่องสนัดสนิทจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปเป็นนํำหนักเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรง บัญญัติไว้ในส่วนติจย่อยว่าเป็นของไม่สำคัญหากว่าธรรมะพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้ทุกๆุกกระทงไม่เป็นของสำคัญแล้วคำวมสวขาโตที่กล่าวไว้ชอบนั้นก็ไร้ความหมายไม่เป็นประโยชน์อะไร เมื่อสวัสดาตธรรมที่กล่าวไว้ชอบนิยานิกระทธรรมซึ่งเป็นผลสืบเนื่องก็ต้องปรากฏขึ้นมาเฉพาะนักบวชและนักปฏิบัติแล้วเรื่องความสงบสงัดสถานที่อั น, นไม่พุกพล่าน ประกอบความภาคความเพียรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นที่เหมาะสมยิ่งนะักเพื่อเราจะได้เห็นร่องรอยของจิตใจเราที่ส่งกระแสใจไปสู่อารมณ์ต่างๆได้ชัดเจนมากกว่าสถานที่วุ่นวายสถานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินและปรากฏผลมาเป็นที่พ่อปไัยจนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ ะนั่นจริงไม่เป็นของลาสมัยเพราะศาสนธรรมคำสอนของพระโพ ธ, ธิจ้าไม่ปรากฏว่าบทใดาบาทรใดได้กลายเป็นธรรมะที่ลาสมัยไปเมื่อโลกเป็นผู้สนใจปฏิบัติอยู่ต้องได้ผลเป็นลำดับไปส่วนภายนอกคือเรื่องของโลกย่อมขึ้นกับความนิยม ขึ้นกับการกับสมัยการหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งนิยมอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งนิยมอย่างหนึ่งถ้านิยมอะไรแล้วก็ถือว่าดีในเวลานั้นในการนั้นถ้าขาดความนิยมแล้วสิ่งนั้นแม้จะเคยใช้มาแล้วก็ถือว่าเป็นของไม่ดีเราเดินไปตามตึก บ, บ้านร้านตลาดก็เห็นเขาทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความนิยมของคน ตามธรรมดาของคนฉลาดย่อมหากินกับคนโง่เขาจะหากินกับคนฉลาดด้วยกันก็ลำบากต้องหากินกับคนโง่เหลืเขาผิดเรื่องอันนั้นขึ้นมาผิดสิ่งนี่ขึ้นมาเราไม่สามารถในความฉลาดจะผิดได้อย่างเขาก็าต้องวิ่งเต็มควันขวายหาเงินหาทองมาซื้อเขาเมื่อใช้ไปนานๆก็คนก็เคยกินราคาก็ลดลง เขาก็ต้องคิดใหม่คิดออกมาใหม่แล้วทำให้คนตื่นเต้นเฮอกันอันนั้นบาดีอันนี้บาดีอุบายต่างๆที่เขาทำขึ้นเช่นนี้ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะหาเงินกับคนโง่ทั้งนั้นเมืเห็นเขาคลิกไปยังไงเราก็นิยมไปตาม พอหมดความนิยมแล้วเขาก็พลิกใหม่ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้เงินกับเขาพลิกไปอยู่นั้นเนี่ยโลกมันไม่แน่นอนอย่างนี้แต่สำหรับธรรมะแล้วมีความแน่นอนเสมอไปลองอพิจารณาดูที่พี่ท่านว่าสัจธรรมคำว่าสัจจะไม่เคยละกลายเป็นของปลอมขึ้นมาแม้แต่การใดเลยเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใครจะรู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นก็ต่าง ธรรมะย่อมเป็นของกินเสมอเช่นทุกใครจะเข้าใจว่าวิถีแก้ไขหรือไม่เข้าใจใครจะรู้ใครจะหลงทุกทุกก็ต้องปรากฏอยู่ในนั้นตามสภาพของเขาสมุทัยคือความสิ่งธรรมชาติที่ผลคือทุกให้ปรากฏขึ้นมาเขาก็ต้องดำเนินไปตาม้ายทางของเขาถ้ามรรคไม่มีความฉลาดคือสติปัญญาของเรา ไม่รอบครอบแล้วเรื่องของสมูทายก็จะเป็นหนามกั้นกลางหรือยอหัออกเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันไหนจะไม่ถูกหนามคือสมูทายนี่ยอดหัวใจเลยพระพุทธเจ้าเคยถูกหนามยอดหัวใจคือเรื่องของสมูทายนี่มาเป็นเวลานานเป็นไม่สามารถจะนับพบชาติได้ต่อเมื่อพระองค์มีความฉลาดโดยอุบายยิ่ที ที่เรียกว่ามรคือข้อปฏิบัติแล้วจึงสามารถถอนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ออกจากเท้ายได้กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมามาีการกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราได้ทราบด้วยกันและเป็นของมีอยู่กับพวกเราไม่เคยขาดตก บ, บกคร่องอุบายวิธีที่จะกำหนดจิตใจของเราตามล่องรอยแห่งสตธรรมนี้ เราก็เคยได้ยินได้ฟังยังเหลืออยู่ตั้งแต่ว่าหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติคือภาคปฏิบัติเป็นภาคสำคัญจะทุกยากลําบากในการปฏิบัติเราอย่าถือเป็นอุปสรรคขีดขวางตนเองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉยๆโดยตัวเองไม่ได้วิ่งเต็มขวัญขวายไม่ว่าเงินว่าทองว่าข่าวว่าของว่าตึกบ้านร้านตลาดใครมีมากมีน้อยต้องเกิดขึ้นจากการขวัขวายทางนั้น ไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการนอนอยู่และไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากความเจยดการโปรดได้ทราบม่าเกิดขึ้นมาจากความยิ่งเต็นข้นขวาซึ่งเนื่องมาจากความขยันหมั่นเพียร น, นั้นเองเรื่องการปฏิบัติเพื่อตัวเองคือด้านปีนธรรมก็ควรจะถือเรื่องโลกที่เรานำมาปฏิบัติต่อส่วนร่างกายถ้าไม่เช่นนั้น เราจะดําเนินตัวของเราไปไม่ตลอดการทุกยากลําบากเป็นหน้าที่หรือเป็นความเป็นธรรมดาสําหรับผู้ประกอบการงานถ้าทําอยู่กลางแดดก็ต้องร้อนทําตากฝนก็ต้องหนาวทําในล่มในเมื่อมีภาระที่จะต้องทําก็ต้องลําบากเหมือนกันพูดง่ายๆว่าทํานอกบ้านทําในบ้าน ท, ทําที่มืดที่แจ้งก็ต้องเป็นงาน ต้งเลยรับความลำบากเช่นเดียวกันเพราะคาว่างานจะอยู่เฉยๆไม่ได้มีเรารักษาศีลช้าทําการอบรมจิตใจของตนเองนี้ก็ต้องถือว่าเป็นงานอันหนึ่งงานที่เราจะกั่นกรองจิตใจของเราให้มีความสะอาดให้หมดมลทินมลทินนั่นเองเป็นเครื่องกระทบกระเทือนจิตใจของเราให้รับความลำบากเราจึงต้องอาศัยการบําเพ็ญ และทุกยากลําบากเราต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับคำว่าพุทธังเสนางกาัจฉามิไม่จะถือแต่คําพูดต้องถือในทางปฏิปทาว่าพระพุทธเจ้าดําเนินอย่างไรมีความทุกยากลําบากแค่ไหนจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้เป็นชนะของเราเราต้องคํานึงถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้านั่นแลนําปฏิปทามาเป็นเที่ยหรือของใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า ไม่ใช่จะนำเอาเพียงว่าพุทธโธความบริสุทธิ์เท่านั้นบ้านจะสูงขนาดไหนก็ต้องมีบันไดพระพุทธเจ้าจะถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องมีทางเลยเราจะเดินตามพระพุทธเจ้าเราก็ต้องนำเนินตามข้อปฏิบัติที่พระ อ, องค์ทรงสั่งสอนไว้ยากลําบากเราอย่าถือว่าเป็นหน้าที่ของใครเพราะกิเลสไม่ใช่ของใครเป็นของเราเกิดขึ้นจากเราทําความเดือดร้อนให้แก่เรา ทุกทั้งหมดที่มีอยู่ในกายในใจมิไม่ใช่ของใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและรับภาระนอกจากเรื่องของเราเท่านั้นการจะพยายามแก้ไขเรื่องความทุกข์ความทรมานภายในกายในใจของตนด้วยข้อปฏิบัติเราจะถือว่าเป็นภาระของใครไม่ไ่ะนอกจากจะถือว่าเป็นภาระของเราจะต้องพยายามแบกว่าหรือถอดถอนสิ่งที่เป็นท่าเกให้หมดไปวันนี้น้อย ด้วยอำนาจแห่งความภาคความเพียรไม่ถอยหลังของเราผนจิตในเมื่อได้อาศัยการทุกผลทรมานอยู่เป็นประจำแล้วจะเป็นจิตที่มีความพยศขึ้นไปไม่ได้ต้องเสื่อมคลายหายพยศตรงหน้าเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งการฝุกผนอบรมที่เรียกว่างานประจำเรายากก็ต้องทาง่ายก็ต้องทา กุ้งซ่านลำคาญก็ต้องบังคับทุกก็ต้องพยายามแก้ไขเพราะทุ ก, กมันเกิดกับเราเราไม่แก้ไขไม่ทราบว่าใครจะแก้ไขให้เราเราแก้ไขได้มากได้น้อยนั่นแหละเป็นผลของเราเช่นเดียวกับการงานภายนอกเราวิ่งเต้นข้นขวายหาอะไรมากน้อยนั่นเป็นของเราเราวิ่งเต้นข้นขวายภายในได้มากน้อยก็เป็นของเรา นี่เรียกว่างานศาสนาพูดถึงเรื่องความยากยากเช่นเดียวกับงานทางโลกแต่จะยากขนาดไหนก็ไม่พ้นไปจากมิใัยของผู้มีความเพียรจะแก้ไขตนเองต้องผ่านพ้นไปได้โดยลำพังจิตที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนมุ่งหมายต้องอาศัยเครื่องบังคําบัญชา สติกับปัญญาศรัทธาความเพียรบังคับกันลงไปสู่จุดใดจุดนั้นต้องปรากฏเป็นธรรมขึ้นมาเรื่องทุกจะเป็นทุกไปตลอดกับตลอดกันไม่ได้เมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตใจให้พิจารณาเรื่องของทุกไม่เพียงจะรู้เรื่องเพียงของทุกเพียงเท่านั้นเรายังอาจสามารถจะรู้เรื่องสาเหตุที่เกิดขึ้นทุกขึ้ขนอย่งทุกได้ทั้งทางด้านของกายและทางด้านจิตใจ เมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาหรือเป็นเครื่องบังคับจิตใจ ย, ยาปล่อยจิตใจของตนให้เลอรหอนการปล่อยจิตใจของตนให้เป็นไปตามเพลใจเนนั่นเคยเป็นมานานแล้วด้วยอำ น, นาจแห่งการไม่รู้เท่าทันและการไม่ได้อบรมศึกษาปัจ น, นี้ี่เราเป็นนักอบรมศึกษาได้ทราบจากครูบ า, าอาจารย์มาหลายท่านหลาองว่าวิธีคารปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรเราก็ทราบมาแล้ว เวลานี้เหลืออยู่แต่วันหน้าที่ที่เราจะปฏิบัติตามคือภาคปฏิบัติเป็นภาคสําคัญเราอยากทอดอยทุกไม่ได้ลึกไม่ได้อยู่ก้นภูเขาลูกไหนและไมไ่อยู่บนเมฆบนหมอกที่ไหนพอจะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสมุทัยที่เรียกว่าแดนเกิดแห่งทุกข์ก็ไม่หนีจากหัวใจเกิดขึ้นจากที่นั่น ใจก็ไม่อยู่ที่ไหนนอกจากอยู่กับเราความภาคความเพียรที่จะมาแก้ไขเรื่องของทุกข์ก็ดีสติปัญญาที่พิจารณาเรื่องของทุกข์ของสมุทัยก็ดีก็เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกันนามาประกอบแก้ไขกันให้ได้ถ้าเรายังแก้ไขเราไม่ได้เรื่องกองทุกข์ในวันหน้ากองทุกข์ในชาติหน้าจะไม่ใช่ของใครจะเป็นเรื่องของเรา เราผ่านมามากน้อยเป็นเรื่องของเราเราจะผ่านไปนานอนาคตการข้างหน้าจะเป็นเรื่องของใครไม่มีทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของเราคนเดียวฉะนั้นปัจจุบันนี้เราได้เตรียมพร้อมแล้วที่จะลบกับสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจตนเองด้วยข้อปฏิบัติคือสีสมาธิปัญญาจงเป็นผู้มีศรัทธาเนื้ยะความภาคความเพียรกาหนดลงไปในท่อนแห่งกาย โดยสติโดยปัญญาไมา่ให้หนีจากบริเวณแห่งสัจธรรมนี้เรื่องศัจธรรมทั้งหมดที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจากพระโพธิเจ้าจะกลายเป็นของจริงขึ้นภายในใจของเราที่ได้พยายามพาาิจารณาไม่หยุดอย่อยางนี้โดยแน่นอนเมื่อเห็นทุกข์จะไม่ถอนทุกข์ได้มีเด็กค น, นรู้เรื่องของสมูดไทยสมูดไทยดับไม่ได้จะมีอย่างที่ห คำมามัดก็เหมือนกับจอบกับเสียมกับมีดกับขวานฟาดปั่นลงไปขุดค้นลงไปไม่ได้ลึกได้ตื่นอยู่ภายในตัวของเราสำคัญที่การบังคับจิตใจไม่ให้เป็นไปตามเผื่อใจให้อยู่ในกรอบของเราผู้เป็นครูสอนเขาต้องรู้ทุกเกิดขึ้นแง่ไหนต้องรู้สมุทยมีอยู่ที่ไหนก็ต้องรู้ คิดไปเรื่องอะไรถ้ามีสติปัญญาอยู่แล้วแม้จะคิดไปก็ต้องดับจะฟุ้งเฟอ้อต่อไปอีกไม่ได้นอกจากเราจะเสริมให้เขามีกำลังกล้าเป็นตรงนั้นเราจริงย่อมมีทางแก้ไขได้ถ้าเราพยายามแก้ไขอยู่เช่นนี้เรื่องของทุกของสมุทยมัยเจ้ามีทางก้าเดินลึกข้ามบนพิสะเราไปได้ข้อสาคัญคือความความจริง ตั้งตนลงให้เป็นคนมีความจริงต่อตอนเองอยากโกหกสถานที่ว่าจะทำที่นี่แล้วคาดหมายไปเสียว่าจะทำที่อื่นนี่เรียกโกหกตนเองอยากโกหกเวลาม่เวลาจะทำเวลาไหนให้ฟาดลงไปในเวลานั้นเป็นปัจจุบันอยู่เสมอผู้ใดเป็นผู้มีจิตปัจจุบันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับกายกับใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียร อย่ตลอดเวลาเรื่องของทุกของสมุทัยที่เคยได้ยินมาเป็นเวลานานนั้นจะปรากฏขึ้นภายในหัวใจว่าทุกขอสมุทยัยนิโรธมรรคจะปรากฏขึ้นถึงหัวใจดวงนี้แน่ชัดขึ้นทิน่นมีกระตเทษฐให้หมู่เพื่อนมาฟังมาเป็นเวลานา น, น อยากให้รู้ให้เข้าใจว่าทุกขที่พระพธธุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นอย่างไรแน่สมุทัยเป็นอย่างไรมิถีรื้อถอนสมุทัยนั้นรื้อถอนอย่างไรเมื่อรื้อถอนได้แล้วผลเป็นอย่างไรคำว่านิโรธะดับทุกขนั้นดับอย่างไรเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของเราจะรู้จกแก้ไขจะดับ ไม่มีอยู่ที่ไหนทำไมจึงจะค้นไม่พบหาไม่เจอดูให้หมดในส่วนสกุลอากาศดูข้างนอกดูข้างในพี่คลายดูด้วยปัญญาข้างบนข้างล่างให้เห็นชัดในทางปัญญานั่นแหละเป็นแน่ที่สุด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 เรื่องวัตจักรอย่ามองให้มากและไกลจะเป็นบ่อยใงความคลั่งบุญเรื่องการเกิดการตายอย่ามองข้ามหัวใจความหมุนเวียนที่ไหนอย่ามองข้ามหัวใจผู้เป็นเจ้าวัตะเรื่องกิเลสตัณหามากน้อยอย่ามองข้ามหัวใจเรื่องหัวใจเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดศาสนธรรมวางลงที่หัวใจสอนกันลงทิน ให้กำหนดพิจารณาดูที่นี่ใจมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดให้พิจารณาสิ่งที่ใจเกี่ยวข้องจนหายสงสัยใจจะไม่มีความกังวลต่อไปการพิจารณาเรื่องส่วนร่างกายทั้งหมดก็เพราะเป็นบอกเกิดแห่งความกังวลของใจจึงต้องให้พิจารณาเมื่อใจได้พิจารณาเห็นแจ้งชัดในส่วนแห่งร่างกายนี้ทุกส่วนแล้วและถอนอุปทานออกมาได้แล้วใจจะมีความกังวลในส่วนร่างกายนี้ต่อไปอีกไม่ได้ เรื่องของจิตก็เหมือนกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากจิตโดยเฉพาะก็คือเรื่องความสุขความทุกข์เฉยเฉยความจดจาได้หมายรู้ความปรุงความคิดของใจความรับรู้ที่เป็นแสดงอาการกระเพื่อมในเมื่อมีสิ่งมากระทบท่านเรียกว่าวิญญานี่เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่กับใจธรรมชาติที่รู้จริงๆนั้นไม่มีการเกิดกัารดับแต่สิ่งที่เป็นการกระเพื่อมนั้นเป็นสิ่งที่เกิด และดับได้ความกระเพื่อมแปลว่าการเกิดขึ้นการหยุดกระเพื่อมแปลว่าการดับเกิดขึ้นมาจากใจสภาพที่เกิดที่ดับนี้เราจะถือเป็นเราอย่างไรโดยมากที่กองทุกข์มันท่วมทับจิตใจของเราก็เพราะเราถือสิ่งที่เกิดที่ดับไม่ว่าส่วนภายนอกภายในนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อสิ่งใดมีความเอ็นเอียงลึกผิดแตก จากความสมหวนหรือการปักปันเกิดแดนทั้งตนเอาไว้บ้างก็กลายเป็นทุกข์หรือเอ็เอียงไปตามเขาเพียงเขาเอ็นเอียงใจก็ล่มละลายไปเสียนแล้วเราจะหาบอกเกิดแทนสุดมาจากที่ไห น, นเมื่อเราถือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นเราจะต้งสิ้นเลก็หาทางเดินไม่ได้เพราะกายทั้งหมดเมื่อเราถือเป็นเราเจ็บปวดที่ไหนก็ต้องเดือดร้อนเพราะเราเป็นผู้ ปวยนะเราเป็นผู้เก็บเราเป็นผู้ทุกข์ผู้ลำบากเราไม่เห็นว่าสภาพของกายเป็นอย่า ง, งต่างหากจากใจเราไม่เห็นสภาพของสุขทุกเวทคือเวทนาสัญญาสังขารนิ ญ, ญ, ญาณเป็นสภาพหนึ่งจากใจเราถือเอาสิ่งเหล่านี้ทั้งดุ่นมากลายมาให้เป็นของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้มีเขาเดินไปตามสายทางของเขาเราจรึงมีความเด็ดล้อนทั้งวันทั้งคืนเท่าประมาณแล้วเหมือนกันก็ว่า แม่ไก่ได้ลูกเป็ดเป็ดเขาเคยเล่นน้ำเมื่อแม่ไก่พาไปเที่ยวเล่นตามดินสระพอลูกเป็ดเห็นน้ำเ้าก็วิ่งลงน้ำแอบบ้าในน้ำแม่กลัวเป็ดกลัวลูกตนจะตายก็วิ่งและเห่เลี่ลอนอยู่บนฝั่งลักษณะของธาตุของขันคือทั้งธาตุสี่ทั้งขันสี่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟขันสี่คือเวทนาสัญญาสัางขาันนยา เขาเดินไปตามหน้าที่ของเขาเช่นเดียวกับลูกเป็ดที่ยวเล่นน้ําเราก็หลงกริยาของเขาที่เป็นไปเพียเดือดร้อนไปตามวุ่นวายไปตามเรื่องทุกปรากฏขึ้นที่ไหนก็วุ่นไปหมดเพราะเห็นว่าเราเป็นทุกข์นั่นภาะนั้นเราจึงหาความสุขไม่ได้การพิจารณาด้วยปัญญาก็หเห็นก็เพื่อจะให้เห็นสภาพสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นกิจที่แท้จริง กายที่ให้ชื่อว่ากายนี้ก็ออกมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าเรียกว่ากายแต่ก็แตกลงไปเป็นดินน้ำธาตุสี่ดินดินดน้ำลมไฟตามเดือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปนั่นเราจะหาจุดที่แท้จริงของเขาที่ไหนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเต้เาเราก็เป็นญาติมิเป็นสารุทธิ์ของผู้ใดเขาไม่เคยมาปักปันจิตแดนเกี่ยวข้องกับเรา แต่เราไปปรับปันเจตเดือนกับเขาว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายลนั้นดําเนินตามล่องรอยหรือตามสายตาของเขาเราจึงเดือดร้อนเพราะเราไม่รู้จริงตามสิ่งเหล่านี้ใจที่ว่าเป็นของไม่ตายนั้นก็เลยกลายเป็นของล้ม ล, มลมุกคลุกคลานเดือดร้อนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนหาเวลาตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เพราะหลงไปสิ่งที่ตามตามสิ่งที่เกิดดับใจซึ่งเป็นของไม่เกิดไม่ดับก็เลยกลายเป็นของล้มล้มอยู่ทั้งวันทั้งคืนตั้งความสงบไม่ได้เลย นั่นพอถือสิ่งเหล่นั้นมาเป็นตนพอเขาเอียงอันนี้ก็ลม้มพออาการใดเอียงขึ้นมาอันนี้ก็ลม้มจิตมีแต่ล้มลุกคุกรานอยู่ตลอดเวลาหาความถุกที่ไหนไม่ม CROSSTALK.... ีนั่นนั่นแสดงว่าหาอริยสัจไม่เจอถ้าหาอิสระเจอเรื่องของทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์เกิดก็เป็นเรื่องของทุกข์ดับแล้วจะเป็นเรื่องของอะไรนั่นเกิดก็ต้องทุกข์เกิดดับก็ต้องทุกข์ดับต่างหาไม่ใช่แล้วดับนั่น กายเกิดกายก็ดับเป็นเรื่องของกายนั่นกายตั้งขึ้นกายแตกไป เ, ปเป็นเรื่องของกายเวทนาวความสุขความทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นตั้งขึ้นดับไปเป็นเรื่องของเวทนาสัญญาเกิดขึ้นคือความจําได้หมายรู้เกิดขึ้นเขาดับไปเป็นเรื่องของเขาสังขารความคิดขึ้นปรากฏขึ้นดับไปเป็นเรื่องของสังขารวิญญาณเกิดขึ้นดับไปเป็นเรื่องของวิญญาณเรื่องของเราผู้รูความเกิดความดับของเขานั้นเป็นเรื่องของเราให้ดูรอบกันอย่างนี้ เชื่อว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาจับทาคสิ่งแล้วทั้งหลายเหล่านี้ออกจากจิตใจใจจะเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้เพราะอํานาจแห่งปัญญาที่ไก่กองพี่คลายดูให้ชัดว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเราอย่างแน่นอนนี่นั่นท่านเรียกว่าปัญญาให้ภาค ก, กันออกอย่างนี้โดยวิธีแยบขายของปัญญาภาคมันนี้ภาควันนา่าภาคอยู่ตลอดเวลาพิจารณาพี่คล า, ายดูอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่าความเพียเื่อนเพียอนเพื่อจะ หรือถอนแยกย้ายตนเองกับสิ่งที่มาคุกเคล้านี่ให้ออกเป็นคนละทิ้นอันออกจากกันมันจะไม่ได้มีความกังวลต่อกันนี่ที่กาวมานี้เป็นประเภทอันหนึ่งคือประเภทของกายประเภทของนามธรรมาแต้ประเภทที่เป็นยาพิษแทรกอยู่ภายในจิตจริงๆนั้นนั่นเป็นประเภทที่ละเอียดจึงควรจะใช้ปัญญาย่างลงไปในจุดนั้นอี ให้เห็นชัดเป็นเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลายว่าธรรมชาติอันนั้นก็มีดับมีเกิดมีดับมีเศร้าหมองมีผ่องใสมีสุขมีทุกข์อยู่นี่เราก็จะถือว่าเป็นเราอีก น, นั่นทารงกงจัก อันนั้นแล้วก็ชื่อว่าเราเป็นตัวคงจักพิจนาคลี่คลายลงไปโดยทางปัญญาให้เห็นชัดความสงสัยก็ต้องมีฐานที่เกิดความสศรหมองก็ต้องมีฐานที่เกิดมีฐานที่อยู่ความสุขความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างมามาจากจุดนั้นอันเป็นของละเอียดก็ต้องมีฐานที่เกิด สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนละเอียดแต่ก็เป็นเรื่องของสมุติเช่นเดียวกับสภาวะที่เด็กพิจนาผ่านมาแล้วแล้วเราจะถือเอาอะไรนี่แหละท่านอย่าพลังแห่งมรระมันอยู่ที่ตรงนี้การเกิดการตายมีอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ให้ชื่อว่าวัตตะก็คืออันนี้เป็นตัวหมูนหนึ่งหลงหลงร่งรอยของตอนเองเหยียบย่ําแล้วเหยียบย่ำเราจนไม่มีร่องรอย คือหาร่องรอยไม่ได้เหยียบที่ไหนก็มีตั้งแต่ล่องรอยตัวเองไม่ทราบรอยใหม่รอยเก่าพบใหม่พบเก่าตายซ้าตายซากตายทับตายผมตายอยู่ทั้งวันทั้งคืนตั้งกลับตั้งกันเรื่องของจิตนี่เองพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วเรื่องของพบของชาติของยาพิษอันนี้ก็จะแตกกระจายไปด้วยอานาจของปัญญาสมมติยงจะหมดไป เมื่อสมมติหมดสิ้นไปแล้วเพราะอำนาจปัญญาที่ทำลายเรื่องมิมุติ จ, จะเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นหมดความคาดความหมายเรื่องของมตรก็ยุติกันได้ในจุดนั้นเรื่องการเกิดการตายได้ยินแต่ใครพูดก็ตา่าง แต่หลักของการเกิดการตายเราได้เห็นด้วยใจของเราเลยเราจะวิตกกังวลไปที่ไหนการกลัวตายจะกลัวกันที่ไหนเมื่อเราทราบชัดแล้วว่าอะไรเกิดแม่อะไรตายเนี่ยอะไรไม่เกิดอะไรไม่ตายแน่เราก็ทราบครับวิธีถอดถอนตนออกจากความเกิดความตายนั้นถอดถอนโดยวิธีไหนเราก็ทราบแล้วด้วยเป็นผู้ที่ถอดถอนตนได้อย่างสมบูรณ์ได้ด้วยแล้วความหมันไหมจะมีมาจากที่ไหนจะเกิดขึ้นจากอะไร ขอแดนแห่งความมันไหมายก็คือหลักแห่งอวิชชาคือความหลงตนเองได้ถูกทําลายเสียแล้วและกลายเป็นความฉลาดรอบตัวขึ้นมาโดยหลักธรรมชาตินี่เราจะหาพบขามชาติมาจากที่ไห น, นอยู่ที่ไหนก็ทราบประหมดเรื่องนั่งอยู่ก็ทราบนอนอยู่ก็ทราบตายไปแล้วจะไปหลงที่ไหนไม่มีที่หลงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีอะไรมาสืบต่อจิตใจให้เป็นการกระเพื่อม หรือมีเชื่ออีกต่อไปตายแล้วจะหาเชื่อมาจากที่ไห น, นี่คาว่าสาันติติโกต้องเห็นแจ้งเห็นชัดดังนี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้สัจธรรมของพระพุทธเจ้าสัจธรรมอันนี้กับสัจธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ผิดแปลกอันใดกันเลยเมื่อสัจธรรมไม่ผิดแปลกกันแล้วคําว่ามิมุตติพานจะมีความผิดแปลกกันที่ตรงไห น, นก็ต้องเป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นจากทุกข์หรือบริสุทธิ์บริสุทธเชิงเหมือนกัน ขอให้ท่านนักอฏิบัติทั้งหลายทําความสนใจต่อปมแห่งมรรคาซึ่งมีอยู่ในตัวของเราให้ยามแบบว่าจะเห็นอิยาบททั้งสี่ว่าเป็นความสะดวกกายสบายใจแล้วเป็นเหตุให้เผลินจะเป็นการลืมเนื้อดืนตัวทําให้เนินชานอกจากการทําให้เนินชาแล้วยังทําให้เสียผลประโยชน์ที่ตนจะพึงได้พึงถึงอีกไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยการเกิดตายใครมีการร่ารวยอะไรบ้างมีผลประโยชน์อย่างไรบ้าง เกิดขึ้นจากการเกิดตายเราเคยเห็นอยู่แล้วว่าบนกันทั้งโลกเพราะเรื่องการเกิดเป็นสาเหตุทุกสิ่งจึงต้องตามมาความได้ความเสียเป็นธรรมดาของโลกเพราะเรื่องของความเกิดเป็นคติของโลกอยู่แล้วแล้วเราจะหาคติของธรรมที่บริสุทธิ์วิมุติผลิพานมาจากเรื่องเกิดเรื่องตายและจากเรื่องความหลงเกิดสงตายนี้มาจากที่ไหนไม่มีนอกจากพยายามแบกป้าตวงตัวให้พ้นไปเสียโดย เด็ดขาดแล้วเท่านั้นเราจะมีทางมีความสุขสบายใจนั่งอยู่ที่ไหนก็สบายทุกเครื่องร่างกายเอาทุกปายแตกไปมันแค่เพียงร่างกายไม่สามารถจะซึมทราบถึงิตซึมทราบถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ได้เลยปัจจุบันก็เห็นชัดอยู่เช่นนี้อนาคตจะหลงที่ไหนไม่มีคโคดโค้งที่ไหนอีกเมื่อปัจจุบันตรงแน่วอยู่กับความติอถ้าผู้ปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจทําจริงๆต้องปรากฏเช่นนี้ ไม่ว่าครั้งไหนไม่ว่าครั้งปึกจาก้าไม่ว่าครั้งนี้สัตว์จะทำเป็นอันเดียวกันไม่เคยปลอมตัวมาจากที่ไหนเป็นความจริงจากพระพุทธเจ้าที่สอนมาแล้วทุกประกาศผู้ปฏิบัติให้จริงแน่แน่ตามหลักธรรมของอวิจารณ์แล้วจักลายเป็นผู้ปลอมขึ้นมาไม่มีเลยนั่ขอจงพากันทําความสนใจอยู่ที่ไหนให้เป็นไปด้วยความเพียรตะเกียกตะกายเพื่อจะหลุดพ้นนั้นเป็นชอบทางที่ชอบทำชื่อว่าเราได้ ตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยปฏิปทาความอาบหารลื่นลืงต่อการถอดถอนคนหนึ่งให้พ้นไปในกษาเนี่ยก็ทำมัทิติช น, น, นันขอคุณพระศรีระทานาไกรคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงอภิบาลรักษา่านทั้งร้ายให้มีความสะดวกกาสบายใจในการจัดปฏิบัติตน คือถึงจิตหมายปลาทางได้ด้วยความ เ, เดียวด้วยตัวหนากันเทือ